แต่กินยาหรือฉีดยานี่ส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกดีขึ้นดีกว่าคนที่ไม่ได้กินยาไม่ได้ฉีดยาทั้งทงที่ยาที่กินหรือที่ฉีดอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับโรคที่เป็นเลยก็ได้อาจจะเป็นแค่วิตามินหรือว่ายาบำรุงแต่ทำไมหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าโรคมันทุนเลาเบาบางอันนี้เพราะ ความเชื่อนะในในยาที่เจหรือที่ฉีดคือเชื่อว่ายานั้นๆเนี่ยมันจะช่วยเยียวยารักษาโรคได้หรือทำให้คลายปวดได้อย่างที่เคยพูดไปแล้วเมื่อสองสวันก่อนนะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาได้รับยาที่หมอบอกว่าราคาแพง จะรู้สึกดีขึ้นนะกว่ารู้สึกดีกว่ากินยาที่หมอบอกว่ามันราคาถูกหรือว่าถ้าได้ยาที่มีสีเป็นเม็ดเหลี่ยมหลายคนก็จะรู้สึกว่าเออมันดีนะดีกว่ายาที่เป็นเม็ดขาวๆไม่มีเหลี่ยม ความรู้สึกดีที่ว่านี่หมายถึงว่าบวดน้อยลงหรือว่าตอบสนองต่อยาดีขึ้นและถ้าเทียบระหว่างยาสีแดงแล้ก็ยาไม่มีสีหรือสีขาวเนี่ยนะไอ้ยาสีแดงนี่มันจะออกฤทธิ์ได้เร็วกว่านะในความรู้สึกของผู้ป่วยที่กินยา น, นั้น ท, ท, ทั้งๆที่ว่าไปแล้วเนี่ยิ์ทางยาหรือว่าทางเภสัชของยาสีแดงหรือสีเขียวมก็เหมือนกันนั่นแหละต่างกันแค่สีนะแต่ว่าควรจะรู้สึกว่ายาเม็ดสีแดงนี่มันมันดีกว่านะมันช่วยเยียวยาโรคได้ดีกว่า ออกเละได้ดีกว่าเลยช่วยบรรเทาปวดได้ดีกว่าอันนี้เรียกว่าความเชื่อแล้วกไม่เป็นความเชื่อเฉยๆเป็นความเชื่อมั่นนะที่เรียกว่าศรัทธาก็เลยนะศรัทธานี่มันไม่ได้แปลว่าความเชื่อมันหมายถึงความเชื่อมั่นนะความเชื่อนี่อาจจะเป็นเรื่องทิฐินะแต่ว่าความเชื่อมั่นเนี่เป็นเรื่องของศรัทธาโดยตรงนะี แล้วคนเราถ้ามีความเชื่อมั่นหรือมีศรัทธาในในสิ่งใดแล้วเนี่ยมันก็มีผลนะทั้งต่อกายและใจได้ไม่น้อยเลยอย่างที่เคยเล่าว่าเนี่ยคนไข้ที่ไม่สบายหมอให้ยาแต่แทนที่จะ ให้ยาด้วยมือนะแต่ว่าใช้คีมขีบยานั้นนะบอกว่าเนี่ยยานี่มันลิดแรงมากเลยจับมือปลาไม่ได้ต้องใช้คีมขีบแล้วก็ให้คนไข้นะแ้คนไข่จะรู้สึกดีขึ้นเลยนะแล้วที่มันน่าสนใจคือว่าบางทีหมอก็บอกนะว่า ไอ้ที่ให้เนี่ยไม่ใช่ยานะอย่างเคยเหมอหมอคนหนึ่งเขทดลองกับคนไข้ที่เามีปัญหาอาการปวดท้องแล้วก็บอกว่าเนี่ยไม่มียานะแต่ว่ามีเม็ดน้ำตาลเนี่ยที่มันพอจะช่วยได้คนไข้ก็รู้นะว่ามันไม่ใช่ยารู้ว่ามันเป็นน้ำตาลนะแต่พอกินแล้วเนี่ยประมาณ 60% ก็รู้สึกดีขึ้น นะความปวดทุบเราลงอันนี้แสดงว่าไม่ใช่แค่ศรัทธาในยายอย่างเดียวนะศรัทธาในตัวหมอด้วยนะคือศรัทธาหรือเชื่อมั่นว่าสิ่งที่หมอให้เนี่ยนะมันดีกับเรามันสามารถจะช่วยเยียวยารกักษาโรคหรือบรรเทาปวดได้แม้รู้ทั้งรู้ว่าเป็นน้ำตาลนะแต่ว่า หมอเนี่ยให้ทั้งทีเนี่ยก็แสดงว่ามันต้องดีกับเราอันนี้เป็นความเชื่อมั่นนะเชื่อมั่นในตัวหมอหมอพูดอะไรก็เชื่อแม้กระทั่งว่าเนี่ยอย่างที่ยกตัวอย่างมะซอกคั่วเนี่ยนะยาฤทธิ์มันแรงมากนะจับด้วยมือเป่าไม่ได้ต้องใช้คีมคีมเนี่ถ้ามันเป็นอย่างจริงๆนี่เข้าไปในท้องจะเป็นยังไงนะแต่คนไข้เนี่ยพอกินเข้าไปก็สึกดีขึ้นเลย เพราะว่ามีศรัทธาทั้งสองอย่างควบคู่กันคือศรัทธาในยาแล้วก็ศรัทธาในตัวหมอหมอให้นะก็แสดงว่ามันต้องดีกับเราแต่ถ้าไม่ศรัทธาในตัวหมอนะมันก็คงไม่เกิดผลหรือไม่ศรัทธาในตัวยามก็ไม่เกิดผล พูดถึศรัทธาในตัวหมอเนี่ยน ะ, ะมันมันเป็นสิ่งจำเป็นมากเลยนะสําหรับการเดียวยารักษาแล้วบางทีหมอเก่งๆเนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรกับคนไข้นะเพียงแต่ทำให้คนไข้นี่เกิดความเชื่อมั่นเชื่อมั่นในความรู้ในความสามารถของหมอเชื่อมั่นในความ ตั้งใจในความเมตตาของหมอเชื่อมันในความใส่ใจนะว่าหมอเนี่ยนะจะดูแลคนไข้ยอย่างดีเท่านี้เนี่ยมันก็ช่วยทำให้คนไข้รู้สึกดีขึ้นได้แล้วนะอย่างเมื่ออย่างเคยมีหมอคนหนึ่งเนี่ยหมอคนนี้เนี่ยแกเป็นผู้ก่อตั้งคณะสาธารณสุข ในบัลลังไลจอนท็อปกินในอเมริกามีชื่อเสียงมากในคณะ น, นี้หมอี่แกพูดถึงพ่อนะพ่อนี่ก็เป็นหมอเหมือนกันแกพูดถึงพ่อว่าเนี่ยเวลาพ่อเนี่ยเข้ามาในหอผู้ป่วยคนไข้เนี่ยคนไข้จะรู้สึกดีขึ้นเลยเพียงแค่เห็นหน้าหมอหรือเห็นหน้าพ่อของตัวเอง หมอเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยนะเพียงแค่เข้ามาเนี่ยคนไข้ก็รู้สึกดีขึ้นแล้วเพราะอะไรนะเพราะว่ามีศรัทธาในหมอผูน้นี้มีศรัทธาว่าหมอรักคนไข้มีศรัทธาเชื่อมั่นว่าหมอมีความรู้ความสา ม, มารถคนไข้ที่ ทีแรกจะรู้สึกคอเขียวหรือว่าเป็นทุกข์เพราะความเจ็บป่วยหรือความเจ็บปวดพอเห็นหน้าหมอคนนี้เข้ามานี่ก็สึกดีขึ้นเพราะเชื่อว่าจะได้รับการเยียวยาเชื่อว่าจะได้รับการดูแลให้หายได้แล้วหลายคนก็สึกดีขึ้นจริงๆนะทั้งที่หมอไม่ได้ทําอะไรเลยหมอจะยิ้มให้ ร้วมีแววตาที่อ่อนโยนแต่ถึงที่มันเยียวยาคนไข้ก็คืออะไรก็คือศรัทธาศรัทธาความเชื่อมั่นในผู้ที่เป็นหมอมันก็ทำให้เกิดการเยวยาตัวเองขึ้นมาอาจจะมีสารบางชนิดหลั่งออกมาเช่นสารสื่อประสาทที่เรียกว่าโดพามีนเซโรโทนินเอ็นโดฟิมพวกเนี่ยพอมันหลั่งออกมามันก็ ช่วยทาให้ความเจ็บปวดทุกเราลงแล้วก็ยังมีผลทําให้ปูนคุ้มการร่างกายมันดีขึ้นสามารถจะเยียวยารักษาโรคที่เกิดขึ้นได้และที่สารพวกนี้มันหลั่ามาได้เนี่ยเพราะความศรัทธาเห็นหมอแล้วดีใจเห็นหมอแล้วสบายใจเห็นหมอแล้วรู้สึกว่าฉันจะดีขึ้นฉะนั้นศรัทธานี่มันมันเป็นสิ่งที่มีอนุภาพมากนะไม่ใช่เฉพาะ ศรัทธาในยาศรัทธาในหม อ, อสำหรับคนที่ศึกษาหรือว่าฝึกฝนพัฒนาตนเนี่ยผู้ที่อยู่บนเส้นทางของการฝึกฝนตนเนี่ยรัทธาอย่างหนึ่งที่สำคัญนะ็คือศรัทธาในครูบาอาจารย์เพราะการที่เลยฝึกฝนตนได้ในบางครั้งมันก็ต้องทวนกระแสกิเลสจะต้องเคี่ยวเขยนตนเอง ไม่ให้จมอยู่กับความเคยชินเดิมๆไม่ปล่อยให้กิเลสตัณหามันครอบงำเอาแต่รักสบายปนเปิดตนมันจะมีพลังในการที่จะขับเคลื่ยวตนเองนะกล้าเที่ยทวนกระแสกิเลสได้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยศรัทธาด้วย ศรัทธานในครูบาอาจารย์เนี่ยมันช่วยได้มากคนที่ฝึกฝนพัฒนาตนอาจจะปฏิบัติธรรมอยู่ในบ้านหรือปฏิบัติธรรมอยู่คนเดียวนะบางทีอาจจะฟัง youtube หรือว่าฟังเทปธรรมะมันก็ดีอยู่นะแต่ว่าถ้าว่ามีครูบาอาจารย์เป็นตัวเป็นตนเนี่ยอยู่ใกล้ มันจะมีไ อ, อ้อา น, นิสง์มากเนยมันไม่เพียงแต่ว่าจ ะ, จะได้รับคำแนะนำจากครูบาอาจารย์หรือ ม, มีมีปัญหาอะไรก็สอบถามท่านแต่ว่ายังอาจจะอาศัยศรัทธาในตัวท่านนี่แลเขียวเขียนตนเองมีโยงคนหนึ่งนะอายุก็มากเนละเกือบเจดสิบแล้วเป็นคนที่ เจ้าอารมณ์นะเพราะว่าชอบคิดลบคิดร้ายแล้วก็ชอบปรุงแต่งไปต่างๆนาน า, นาคิดฟุ้งซ่านก็ทำให้มีความวิตกกังวลบ้างทำให้มีความเครียดบ้างมันก็ไป ส, สมทำให้ความหงุดหงิดเจ้าอารมณ์มันรุนแรงโยงนี้แกศรัทธาอาจารย์คนหนึ่งนะเป็นอาจารย์ทางด้านทิ่เบตนะพุทธศาสนทิเบต อาจารย์ก็ให้คำแนะนำในเรื่องการระงับโทสะแนะนำเรื่องการารู้จักบรรเทาอารมณ์ที่รุ่มร้อนแต่ว่าแนะนำไปอย่างไรโยมแกก็ไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่หรือว่าทำแล้วก็ไม่ค่อยได้เกิดผลอาจารย์ก็เลยแนะนำเลยนะให้ไปสวดนะสวดมนเนี่ย หนึ่งแสนจบนะโอมานีปัตเมหุงนะเอาไปเลยนะหนึ่งแสนจบคนธรรมดาเนี่ยก็คงจะทำได้ไม่เท่าไหร่แต่เพราะว่าความศรัทธาในอาจารย์เนี่ยพระทตยคนนี้เนี่ ย, ยวกก็พยายามนะพยายามสวดมนต์โอมานีปัตเมหุงนะซึ่งเป็นบทสำคัญนะของทิเบตแสนจบเนี่ย ถึงแม้จะเป็นบทสั้นๆนะแต่ว่าแสนจบนี่มันก็ใช้เวลาเป็นเดือนนะลที่อาจารย์แนะนำให้สวดมนต์เนี่ยเพราะว่าใจมันจะได้ไม่ไปหมกบุนฟุ้งซ่านนะจะได้ไม่คิดแต่จะมองลบมองร้ายหางานให้จิตทำให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยความศรัทธานะในอาจารย์เนี่าายนยโยมนี่ก็เลยยอมทำนะ บางทีก็เกลียดขัดบางทีก็ท้อแต่เพราะอาจารย์สั่งนะแต่ก่อนอาจารย์แค่แนะนำแต่คราวนี้อาจารย์สั่งนะศรัทธาเนี่อาจารย์ก็ต้องทํา แ, แม้จะไม่ใช่วิสัยของตัวเมื่อต้นเขี้ยวเขียนต้นเดียรให้ทําแล้วก็วัน ว, นวนันึงก็ท่องไปหลายร้อยจบนะบางทีก็ขยันแนละ้วก็พันจบกว่าจะครบสารจบได้นี่ก็เป็นเดือนนะ ก็ดีใจนะสวนได้ครบสารจบสักทีดีใจมารายงานอาจารย์นะแต่อาจารย์เนี่ยแทนที่จะชมนะกลับแนะนําให้หรือสั่งเลยนะให้โยนเนี่ยไปท่องมาอีกนะหนึ่งล้านจบเพราะโยมนี่ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ยังเปลี่ยนแปลงไม่มากพอยังเจ้าอารมณ์ยังขี้งุนหงิดยังชอบคิดลบคิดร้าย มีความเปลี่ยนแปลงขึ้นแต่ไม่มากวันเอาไปเลยร้านจบนะโยโมแกก็อึ้งเหมือนกันนะแสนจบนี้ก็เป็นเดือนละนะหลายเดือนเลยทีเดียวให้ร้านจบนี่มันจะไหวนะแต่เพราะศรัทธาในอาจารย์ไงก็เลยต้องทําก็คงเป็นปีนะนิโยโมไปทํำนี่ได้พราะอะไรนะเพราะว่ามีศรัทธา ศรัทธาในอาจารย์ถ้าคนที่ปฏิบัติทำคนเดียวไม่มีอาจารย์นะแม้จะรู้ว่าอะไรดีอะไรถูกอะไรเหมาะสมแต่คงไม่ค่อยทำเท่าไหร่เพราะว่ากิเลสเนี่ยมันมีกำลังมากกว่าความเคยชินมันมันมีน้ำหนักมากกว่าแต่พอมีครูบาอาจารย์นะแล้วก็มีศรัทธาในครูบาอาจารย์เนี่ย ท่านสั่งท่านแนะนำาก็ต้องทำตามมันทำให้จิตฝ่ายกุศลเนี่ยมันมีกำลังเหนือจิตฝ่ายอกุศลหรือว่าจิตฝ่ายกิเลสซึ่งมันทำให้สามารถเอาชนะความเกลียดคร้านเอาชนะแม้กระทั่งมานะและทิฏฐิได้ ย่งในสมมติการนี่ก็มีนะมีเรื่องราวทํานองนี้มากมายทีเดียวไอนะ้ที่มีชื่อคือเรื่องราวของพระรูปหนึ่งที่ชื่อว่าตุตโฉโพธิละจริงมชื่อจริงไม่ในชื่อนี้หรอกนะแต่ว่าชื่อในพระไตรปิฎกเนี่ยแต่ชื่อที่เป็นสมมยานามที่กลายเป็นชื่อที่ชาวผู้ที่สนใจนรู้จักดี คือท่านเป็นคนที่มีความรู้มากนะในด้านประิยะติธรรมรู้เยอะเพราะความจำดีอ่านมากแต่ว่าไม่ค่อยได้ฝึกฝนเขี่ยวกรรมตนเองเท่าไหร่มี่ําำซ้ำเนี่ยไอ้ความรู้มากก็ทำให้เกิดความพยองเกิดความหลงตัวว่าเนี่ยฉันเป็นคนเก่งคอยไปข่มขีคนอื่น ที่มีความรู้น้อยกว่าเรียกว่ายกตนข่มท่านจนคลายๆนี่ก็ไม่อยากจะสู้หน้าหรือถกเถียงด้วยนะท่านก็เกิดความอาหาังกาว่าฉันแน่ฉันแน่แต่วันหนึ่งเนี่ยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลย ถามว่าผู้ว่าเนี่ยอ๋อมาแล้วเหรอท่านใบลานเปล่าใบลานเปล่าในภาษาบาลีตุ๊ดโชพธิละนี่แหละมาแล้วเหรอท่านใบลานเปล่าพอพระรูปนี้จะกลับอุะเจาก็ตัดอ๋อจะไปแล้วเหรอท่านใบลานเปล่าพระรูนี้ท่าก็เกิดความรู้สึกประหลาดใจว่าทําไมพระเจ้าเนี่ย ถึงเรียกคืว่าเป็นใบาลานเปล่าแทนที่จ ะ, ะชื่นชมสารเสพเป็นผู้ที่มีความรู้เมื่อมาทบทวนก็เพราะว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยมีแต่ความรู้แต่ว่าไม่มีการสารนะไม่มีการสารจิตใจก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรกิเลสก็ยังมากเหมือนเดิมก็เกิดความสำเนียกนะ คือความสำเนียกอยากจะฝึกฝนตนแต่ว่าไปหาใครไปหาภาพรูปไหนก็มีภาพรูปไหนกล้าที่จะเป็นอาจารย์สอนพระตุชโชทธิละได้เพราะว่ายำเกรงในความรู้หรือไม่มั่นใจว่าภาพรูปนี้เนี่ยจะมีความตั้งใจแค่ไหนแล้วก็หลายท่านก็เคยเป็นสิทธิ์ของ ประตุโชดนี่ด้วยเนาะหาอาจารย์คนแล้วคนเล่าหาก็หาไม่ได้สุดท้ายก็ไปไปเจอสามนเณรน้อยรูปหนึ่งนะสามนเณรนี่ท่าเป็นพระรหันต์นะไม่มีอาจารย์คนไหนรับก็ขอฝากตัวให้สามนเณรรับเป็นอาจารย์แต่สามนเณรก็ไม่รู้ว่าไม่มั่นใจว่าประตูโฉนี่เอาจริงหรือเปล่ามีความตั้งใจจริงไหม ก็ต้องการทดสอบว่าเนี่ยมีความตั้งใจจริงเพียงใดก็ให้ผมจีวันอย่างดีพร้อมสังฆติว่าแล้วก็ให้เดินลุยน้ำลุยคโคลนท่า น, นุโชเนี่ยเป็นอาจารย์ที่มีคนเคารพนบถือมากนะแต่ว่าถูกแนนสั่งให้ทำอย่างนั้นเนี่ยวิสัยงคนที่มีอัตตากิเลสเนี่ยก็ คงต้องไม่พอใจและขัดขืนแต่ท่านก็ยอมนะที่ท่านยอมเพราะท่านตั้งใจว่าจะฝากตัวเป็นสิทธิ์ของของสามเณรท่านนี้แต่ว่าไม่ใช่แค่นี้นะท่านต้องมีความศรัทธานะต้องมีศรัทธาว่าสามเณรท่านนี้เนะี่ยจะสอนท่านได้จะจะปราบพยศนะที่เกิดจากอัตตา ตัวตนในใจของท่านได้เพราะศรัทธาในสามเมนรนั้นเนี่ยว่าจะเป็นอาจารย์สอนตนได้เนี่ยจึงยอมทําทั้งๆ ท, ที่มันสวนทางกับทิฏฐิมานนะแล้วก็พอยอมทําตาม ทุกอย่างทุกประการของสัมมเน่เนี่ยซัมมาเน่ก็เลยรับเป็นศิษย์แล้วก็สอนจกนกรทั่งตั่นจุดโชว์นี่กลายเป็นพระอรหันต์บรรลุธรรมการที่อาจารย์ที่มีลูกศิษย์ลูกหายเยอะยอมปฏิบัติตามคำสอนคำสั่งของสัมมเน่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ ทวนกระสกิเลสในใจของท่านมากทีเดียวเนี่ยแต่ที่ท่านทําได้นี่เพราะอะไรนะเพราะศรัทธาศรัทธาในอาจารย์ศรัทธาว่าสามมณีนจะเป็นอาจารย์สอนท่านได้นนสนาศรัทธาเนี่ยมันจึงมีความสำคัญนะที่มันสามารถจะช่วยให้ใจฝ่า ย, ายดีในใจให้คุณธรรมหรือ ความใฝ่ดีในใจเราเนี่ยมันมีพลังจนเอาชนะกิเลสตัณหาหรือเอาชน ะ, ะมานาทิฐิได้ไม่งั้นเนี่ยนะกิเลสมันก็จะมีชัยหรือว่าครอบงำคุณธรรมหรือว่าความใฝ่ดีในใจของคนเราได้เราจะสามารถปลุกหรือสร้างพลังให้กับความใฝ่ดี หรือกุศลธรรมในใจเราเนี่ยส่วนหนึ่งก็ต้องอาศัยศรัทธานะศรัทธาในครูบาอาจารย์แต่ว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะมาศรัทธาในคุณธรรมที่มีอยู่ในใจเราศรัทธาอย่างอย่างหนึ่งที่สําคัญคือศรัทธาในความเพียรนะพวกเราต้องมีศรัทธาในความเพียรซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะ แต่ถ้าคนเรามีศรัทธานในความเพียรของตนแล้วเนี่ยนะก็จะทำให้เรามีพลังนะที่จะเอาชนะอุปสรรคความยากลาบากสามารถทําสิ่งที่ยากให้สําเร็จได้สิ่งที่ยากนั้นไม่ใช่เป็นการชนะคนอื่นนะแต่คือการชนะใจตัวเองหรือการชนะกิเลสตัวเองในตัวเองชนะความหลงซึ่งมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา ต้องใช้การฝึกฝนต้องใช้การเคี่ยวกรมนะเป็นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานโดยเพพาะสำหรับปุถุชนที่อินทรีย์ไม่แก่ ก, ก้าแต่ว่าคนเราจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยมันต้องมีศรัทธามีความเชื่อมัอน่นว่าความเพียรเนี่ยที่เราระดมเข้ามาใช้ในการปฏิบัติเนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถเอาชนะความทุกข์ หรือเข้าถึงความพ้นทุกได้หรืออย่างน้อยก็สามารถจะบรรเทาเบ า, บาบางกิเลสในใจได้ที่จริงเนี่ยว่าแต่การปฏิบัติธรรมนะเพื่อความพ้นทุกเลยนะแม้กระทั่งการทํางานทางโลกที่ยากลําบากตั้งแต่การเรียนการศึกษาไปจนถึงการทํางานทําการเนี่ยมันต้องมีความยากลาบาก แต่ว่าคนเราเนี่ยจะสามารถเอาชนะความยากลาบากได้เนี่ยที่สามารถก็คือมีศรัทธาในความเพียรอย่งท้าทําความเพียรแล้วเออมันเห็นผลนะว่าทำแล้วสําเร็จทำแล้วสําเร็จมก็ยิ่งศรัทธามากขึ้นเคือโดยเฉารเวลาปฏิบัติทําแล้วเนี่ยพอเราแม้ว่าเราจะมีปัญหาประสบประสศกแต่พอเราตั้งใจทําความเพียรทําซ้ําแล้วซ้ําแล้วซ้ําแล้วซ้ำแล้วแล้วปรากฏว่า มีความเปลี่นแปลงที่ดีขึ้นก็เกิดศรัทธาในความเพียรตัวเองมากขึ้นแล้วศรัทธาในความเพียรนี่สําคัญมากนะเพราะว่าพระเจ้าตรัสว่าเนี่ยบุคคลร่วมทุกข์ได้เพราะความเพียรบุคคลจะร่วมทุกข์ได้เพราะความเพียรโรงเรียนอัตมาเนี่ยโรงเรียนสำชัญเนี่ยนะก็จะมีคําขวัญประจําโรงเรียนว่าลาบออมเดวินชะิตนะเป็นภาษาลาตินแปลว่าความเพียรชนะทุกสิ่งทุกอย่างความเพียรเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างก็คล้ายกับนะ พุทธภาสิต ท, ที่ว่าบุคคลร่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรถ้าคนเราเนี่ยถ้าว่ามีศรัทธาในความเพียรซึ่งที่จริงก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของตัวเองนั่นแหละมันก็ทำให้เราสามารถที่จะมีกำลังในการที่จะพัฒนาตนเป็นลำดับจกนกระทั่งเข้าถึงความสิ้นทุกข์ได้หรือว่าสามารถก้าวข้ามความทุกข์อุปสรรคหรือวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นมาในชีวิตได้ แล่จริงมันไม่ใช่แค่ศรัทธาในความเพียรอย่างเดียวต่อไปเนี่ยพอเพียรมากๆขึ้นก็จะเกิดศรัทธาในธรรมะอย่างอื่นด้วยศรัทธาในสติศรัทธาในความรู้สึกตัวศรัทธาในปัญญาเพราะว่าความเพียรในการปฏิบัติแบบนี้ทำให้เห็นอันยิ่งส่งอนุภาพของสติสมาธิปัญญาความรู้สึกตัวมากขึ้นก็ยิ่งศรัทธาและศรัทธาอย่างนี้แหละที่เราเรียกว่าเป็นบางทีเราก็เรียกว่าศรัทธาในตัวเองแต่ว่าศรัทธาในตัวเองนี่มันมันยัง ไม่ชัดเจนแต่เราถ้าจะพูดให้จัดให้จแจกแจงชัดเจนก็คือศรัทธาคุณธรรมในใจของเราอันนี้เป็นสิ่งที่พุทธศาสนาเน้นมากนะพระพุทธภาษีที่เราคุณเคยก็คือว่าเนี่ยตนนั้นเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่ที่จริงพระพุทเจ้าตัดต่อไปนะว่าบุคคลที่ฝึกตนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่หาได้ยากถ้าเราฝึกตนไว้อย่างดีเนี่ยนะเราก็ยอมยอมได้ที่พึ่ง แล้วเราจะฝึกตนได้ต้องมีศรัทธาในความเพียรศรัทธาในทำพุทธรรมต่างๆเราจึงจะมั่นใจได้ว่าเรามีต้นเป็นที่พึ่งได้และพอมีตนเป็นปที่พึ่งแล้วก็ยิง่งศรัทธาในตนมากขึ้นจะไม่หวั่นไหวไปกับอุปสรรคความยากลาบากหรือแม้กระทั่งสายตาคนรอบข้างนะเขาจะไม่ชอบเรานะเขาจะไม่ได้ชื่นชมเราเขาจะดินทาเรา ก็ไม่ได้วันไหวนะพอจิตใจนะมั่นคงอยู่ในคุณธรรมหรือว่าจิตใจไม่ได้วันไหวไปกับโลกธรรมไม่ว่าโลกธรรมไฟโบหรือายลบ ก, ก็เรียกว่าสามารถที่จะรักษาตนรักษาใจให้เป็นปกติมั่นคงได้ทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้นจากศรัทธานะที่มีอย่างถูกต้องพระเจ้าจึงตัดว่าศรัทธานี้ก็เป็นพลังหรือภละอย่างหนึ่งนะในพละ5้เนี่ยศรัทธาเนี่ยเป็นหนึ่ง ของพละหรือกำลังนะที่จะทำให้เรามาีความสามารถในการเอาชนะอุปสรรคและความทุกข์ทงปวกได้